เจริญสัมปชัญญะแบบพานะเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้ถ้าเจริญจิตตานุปัสสนานี่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้เจริญธรรมานุปัสสนานี่มีนิวรณก็รู้ไม่มีนิวรณก็รู้นิวรณเกิดมาได้ยังไงก็รู้นิวรณไม่เกิดเพราะอะไรก็รู้เนี่ยสังเกตนะคากิริยามีอยู่คาเดียวคือคำว่ารู้